ความหมายของโยนิโสมณสิการว่าโดยรูปศัพท์โยนิโสมณสิการประกอบด้วยโยนิโสกับมณสิการโยนิโสมาจากโยนิซึ่งแปลว่าเหตุต้นเขาแหล่งเกิดปัญญาอุบายวิธีทาง ส่วนมณสิการแปลว่าการทำในใจการคิดคำหนึง่งนึกถึงใส่ใจพิจารณาเมื่อรวมเข้าเป็นโยนิโสมณสิการท่านแปลสืบสืบกันมาว่าการทำในใจโดยแยบคายการทำในใจโดยแยบคายนี้มีความหมายแค่ไหนเพียงใดคำพีชันอัฏฐกถาละดีกาได้ไขความไว้ โดยวิธีแสดงไวยโพจน์ให้เห็นความหมายแยากเป็นแง่ๆดังต่อไปนี้ 1. อุบายมณสิกานแปลว่าคิดหรือพิจารณาโดยอุบายคือคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธีหมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริงสอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ทำให้อย่างรู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 2. ปัฏฐมณสิการแปลว่าคิดเป็นทางหรือคิดถูกทางคือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลำดับจัดลำดับได้หรือมีลำดับมีขั้นตอนล่นไปเป็นแถวเป็นแนว หมายถึงความคิดเป็นระเบียบตามแนวเหตุผลเป็นต้นไม่ยุ่งเหยิงสับสนไม่ใช่ประเดี๋ยววกเวียนติดพันเรื่องนี้ที่นี้เดี๋ยวตะลิดออกไปเรื่องนั้นที่โน้นหรือกระโดดไปกระโดดมาต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ทั้งนี้รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องสา กาณะมณสิกาแลแปลว่าคิดตามเหตุคิดค้นเหตุคิดตามเหตุผลหรือคิดอย่างมีเหตุผลหมายถึงการคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเขาหรือแหล่งที่มาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาตามลำดับ สอุ ป, ปาทกะมนัสิการแปลว่าคิดให้เกิดผลคือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมายท่านหมายถึงการคิดการพิจารณาที่ทำให้เกิดกุศ ล, ลธรรมเช่นปลูกเร้าให้เกิดความเพียรการรู้จักคิดในทางที่ทำให้หายหวาดกลัวให้หายกโกรธ การพิจารณาที่ทำให้มีสติหรือทำให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นต้นไข ค, ความทั้งสี่ข้อนี้เป็นเพียงการแสดงลักษณะด้านต่างๆของความคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิการโยนิโสมนัสิการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอาจมีลักษณะครบทีเดียวทั้งสี่ข้อหรือเกือบครบทั้งหมดนั้น าจจะเขียนลักษณะทั้งสี่ข้อนั้นสั้นๆคงได้ความว่าคิดถูกวิธีคิดมีระเบียบคิดมีเหตุผลคิดเรากุศลแต่ถ้าจะสรุปเป็นคำจำกัดความก็เห็นได้ว่าทำยากสักหน่อยมักจับเอาไปได้แต่บางแง่บางด้านไม่ครอบคลุมทั้งหมด หรือไม่ก็ต้องเขียนบรรยายยืดยาวเหมือนอย่างที่เขียนไว้ในตอนเริ่มต้นของบทนี้อย่างไรก็ตามมีลักษณะเด่นบางอย่างของความคิดแบบนี้ที่อาจถือเป็นตัวแทนของลักษณะอื่นๆได้ดังที่ได้เคยแปลโดยนัยยะไว้ว่าความคิดถูกวิธีความรู้จักคิดการคิดเป็นการคิดรงตามสภาวะและเหตุปัจจัย การคิดสืบค้นถึงต้นเขาเป็นต้นหรือถ้าเข้าใจความหมายดีแล้วจะถือตามคำแปลสืบๆกันมาว่าการทำในใจโดยแยบขายก็ได้ได้กล่าวแล้วในตอนก่อนๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างโยนิโสมนสิการที่เป็นองค์ประกอบภายในนี้ กับปรโตโตโสะที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่เป็นองค์ประกอบภายนอกในตอนนี้พึงสังเกตให้ละเอียดลงไปอีกว่าถ้าบุคคลคิดเองไม่เป็นคือไม่รู้จักใช้โยนิโสมนัสิการกัลยาณมิตรจึงอาศัยศรัทธาเข้ามาช่วยเหลือจะเห็นได้ว่าสำหรับลักษณะสามด้านแรกของโยนิโสมนัสิการกัลยาณมิตร ช่วยได้เพียงชี้แนะส่องนำให้เห็นช่องแต่ตัวบุคคลผู้นั้นจะต้องคิดพิจารณาเข้าใจด้วยตนเองเมื่อถึงขั้นเข้าใจจริงศรัท ธ, ธาจะทำให้ไม่ได้ดังนั้นขอบเขตของศรัท ธ, ธาจึงจำกัดมากสำหรับการช่วยโยนิโสมนัสิการในลักษณะสมด้านนี้ในข้อที่ว่า เมื่อถึงขั้นเข้าใจจริงศรัท ธ, ธาจะทำให้ไม่ได้นี่คือความหมายขั้นลึกของอัตตาหิอัตโนนาโถหรือตนเป็นที่พึ่งของตนแต่สำหรับลักษณะที่ 4, สศรัท ธ, ธาแสดงบทบาทเยาแรงกล้าเช่นคนบางคนเป็นคนอ่อนแอมักหดหูท้อถอยหรือชอบคิดเรื่องเหลวไหลเรื่องเสียหายต่างๆถ้ากัลยาณมิตร สร้างศรัทธาได้สำเร็จก็จะช่วยคนเช่นนี้ได้มากอาจพูดร้าวใจปลุกใจให้กำลังใจและชักจูงด้วยวิธีต่างๆอย่างได้ผลในทางกลับกันคนบางคนมีโยนิโสมนสิการเป็นปกติรู้จักคิดด้วยตนเองเมื่อมีเหตุให้หดหูท้อถอยหรือเศร้าเสียใจเขาก็คิดแก้ไขปลุกใจของเขาเองได้สำเร็จเป็นอย่างดี ส่วนในด้านตรงข้ามถ้าได้ปาปามิตรหรือมีอายุนิโสมณสิการแม้แต่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีงามประสบสิ่งดีงามก็ยังคิดให้เป็นไปในทางร้ายและก่อให้เกิดกรรมร้ายได้เช่นคนร้ายเห็นที่ร่มรื่นสงัดเป็นที่เหมาะแก่การกระทำชั่วหรือเตรียมกระทำอาชญากรรมคนบางคนขี้ระแวงเห็นคนอื่นยิ้ม ก็คอยจะคิดว่าเขาเยาะเยะ้ยดูหมิน่นถ้าปล่อยให้กระแสความคิดเดินไปเช่นนั้นอยู่บ่อยๆอโ ย, อยนิโสมนสิการก็จะกลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงอกุศลธรรมชนิดนั้นๆให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นเช่นคนที่คอยสั่งสมความคิดหมองแง่ร้ายคอยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคนที่เสพคุ้นกับความหวาดระแวงว่าคนอื่นจะคิดร้าย จสะดุ้งผวากลายเป็นโรคประสาทวัตถุแห่งความคิดอย่างเดียวกันแต่ใช้โยนิโสมนสิการกับอายนิโสมนสิการยอมให้ผลต่อชีวิตจิตใจและพฤติกรรมไปคนละอย่างเช่นคนหนึ่งคำนึงถึงความตายด้วยอายนิโสมนสิการก็เกิดความวันไวหดหูท้อถอยไม่อยากทาอะไรอะไร หรือฟุง้งซ่านคิดวุ่นวายอีกคนหนึ่งคำนึงถึงความตายด้วยโยนิโสมนสิการกลับทำให้เกิดความสำนึกในการที่จะละเว้นความชั่วใจสงบเกิดความไม่ประมาทกระตือรือร้อนเร่งทำสิ่งดีงามในด้านการอย่างรู้สภาวธรรม โยนิโสมนาสิการไม่ใช่ตัวปัญญาเองแต่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาคือให้เกิดสัมมาธิทฐิคำผีมิลินทัปัญหาแสดงความแตกต่างระหว่างโยนิโสมนาสิการกับปัญญาว่าประการแรกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นแพะแกะวัวควายอูดลามีมนาสิการซึ่งมนัสิกานในที่นี้มนสิการแต่ไม่เป็นโยนิโส สัตย์ดเดรัชานทั้งหลายมีมนาสิการแต่ไม่มีปัญญาประการที่สองมนสิการมีลักษณะคำนึงพิจารณาส่วนปัญญามีลักษณะตัดขาดมนสิการรวมจับความคิดมาเสนอทำให้ปัญญาทำงานกำจัดกิเลสได้ เหมือนมือซ้ายรวบจับเอารวงข้าวไว้ให้มือขวาที่ถือเคียวเกี่ยวตัดได้สําเร็จถ้ามองในแง่นี้โยนิโสมนัสิการก็คือมนัสิการชนิดที่ทําให้เกิดการใช้ปัญญาพร้อมกับทําให้ปัญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตัวอย่างการใช้คําว่าโยนิโสและอายุนิโสมนัสิการ บางทีจะช่วยเสริมความเข้าใจให้ชัดขึ้นเช่นเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทในหมู่คณะคนที่ใช้โยนิโสมนสิการจะหยุดทะเลาะและหาทางระงับอีกแห่งหนึ่งว่าเวนระงับได้ด้วยโยนิโสมนสิการจับความหมายของข้อความในพระสูตรเช่นคำว่าสัมภเวสีเป็นต้น โดยอายโยนิโสมนาสิกานจึงเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอันตราพบอีกแห่งว่าเป็นเครื่องช่วยให้เวนายบุคคลบรรลุธรรมอีกแห่งว่าช่วยให้การฟังธรรมเกิดประโยชน์และที่ท่านใช้บ่อยคือหมายถึงวิปัสสนา หรือใช้แทนคำว่าบําเพนวิปัสนาคำพีปปัญจาสุทนีกล่าวถึงอายุนิโสมนาสิการว่าเป็นมูลแห่งวัตตะทำให้ว่ายวนอยู่ในทุกข์หรือสะสมหมักหมมปัญหาและชี้แจงว่า เมื่ออายุนิโสมณสิการเจริญงอกงามขึ้นก็พอกพูนอวิชาและภวะตันหาเมื่ออวิชาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทเริ่มแต่อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้นไปจนเกิดกองทุกครบท้วนบริบูรณ์แม้เมื่อตันหาเกิดขึ้นก็เข้าสู่กระบวนธรรมะปฏิจจสมุปบาทเช่นเดียวกัน เริ่มแต่ตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานส่งต่อตามลำดับนำไปสู่ความเกิดพร้อมแห่งกองทุกส่สนโยนิโสมนสิการเป็นมูลแห่งวิวัตรทำให้พ้นจากวังวนแห่งทุกถึงภาวะไร้ปัญหาหรือแก้ปัญหาได้เพราะเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นก็นำไปสู่การปฏิบัติตามมรคมีองค์แปดซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า สัมมาทิฐิก็คือวิชานั่นเองเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปเมื่ออวิชาดับกระบวนธรรมะนิโรธวาระแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ดำเนินไปนำสู่ความดับทุกข์เขียนให้ดูง่ายดังนี้วัตตะมีอายุนิโสมณสิการเป็นมูล วังวนแห่งทุกข์หรือวงจรปัญหาเกิดจากอายุนิโสมนณสิการอายุนิโสมนณสิการในที่นี้แยกเป็นสองสายนะครับสายหนึ่งไปสู่อวิชชาสังขารจนถึงชราโมระโสกับปริเทวะทุกโทมณตุปายาตเท่ากับทุกเกิดอีกสายหนึ่ง อโยนิโสมนาสิกานไปสู่ตัณหาเกิดอุปาทานจนถึงชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเท่ากับทุกขเกิดวิวัตตมีโยนิโสมณัสิกานเป็นมูลภาวะปลอดทุกข์หรือแก้ปัญหาได้เกิดจากโยนิโสมนาสิกานโยนิโสมนาสสิกาน เป็นปัจจัยให้เกิดมรคภาภาวนาคือสัมมาทิฏฐิหรือวิชาส่งให้อวิชชาดับสังขารดับไปจนถึงทุกข์ดับถ้ามองในแง่ขอบเขตโยนิโสมนสิการก็กินความกว้างครอบกลุ่มตั้งแต่การคิดนึกอยู่ในแนวทางของศีลธรรมการคิดตามหลักความดีงาม และหลักความจริงต่างๆที่ตนได้ศึกษาหรือรับการอบรมสั่งสอนมามีความรู้ความเข้าใจดีอยู่แล้วเช่นคิดในทางที่จะเป็นมิตรคิดรักคิดปรารถนาดีมีเมตตาคิดในทางที่จะให้หรือช่วยเหลือเกื้อกูลคิดในทางที่จะเข้มแข็งทำการจริงจังไม่ย่อท้อเป็นต้นซึ่งไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งอะไรตลอดขึ้นไปจนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบ และสืบสาวหาเหตุปัจจัยที่ต้องใช้ปัญญาละเอียดประนีตเนื่องด้วยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกว้างอย่างนี้คนปกติทุกคนจึงสามารถใช้โยนิโสมนสิการได้โดยเฉพาะโยนิโสมนัสิการแบบง่ายๆนั้นเพียงแต่คอยชักกระแสความคิดให้เข้ามาเดินในแนวทางดีงามที่เรียนรู้ไว้ก่อนแล้วหรือที่คุ้นอยู่แล้วเท่านั้นเอง และสำหรับโยนิสโสมณฑสิการแบบนี้ซึ่งตามปกติเป็นระดับที่ช่วยให้เกิดโลกิยะสัมมาทิฏฐิศรัทธาซึ่งเกิดจากปัจจัยฝ่ายปาระโตโคสะเช่นการศึกษาอบรมมัฒนาธรรมประเพณีและการยานามิตรอื่นๆจะมีอิทธิพลได้มากที่กล่าวอย่างนั้นก็เพราะว่าศรัทธาเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวของจิต และเป็นพลังพร้อมอยู่ภายในพอคนรับรู้อารมณ์หรือประสบสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกระแสความคิดก็จะถูกแรงแห่งศรัทธาดึงไปแล่นไปตามแนวของศรัทธานั้นเสมือนว่าศรัทธาขุดร่องสำหรับให้กระแสความคิดไหลไว้ก่อนแล้วดังนั้นท่านจึงแสดงหลักว่าศรัทธาที่ถูกต้องเป็นอาหารหล่อเลี้ยงโยนิสมันสิการ เพาปารโตโคสะที่เป็นกัลย า, ามิตรอาศัยศรัานั้นเป็นทางเดินสามารถช่วยเพิ่มเติมเสริมความรู้ความเข้าใจและชี้แนะส่องนำความคิดได้มากขึ้นโดยลำดับเช่นโดยการปรึกษาหารือสอบถามข้อติดขัดสงสัยเป็นต้นโยนิโสมณสิการของคนผู้นั้นเมื่อใช้อยู่บ่อยๆและได้อาหารหล่อเลี้ยงเสริมอยู่เรื่อย ก็เดินได้คล่องและก้าวไกล ย, ยิ่งขึ้นทำให้ปัญญางอกงามยิ่งขึ้นรั้นพิจารณาเห็นความจริงรู้ว่าคำแนะนำสั่งสอนนั้นถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์จริงก็ยิ่งมั่นใจเกิดศรัทธามากขึ้นโยนิโสมนสิการก็กลับเป็นปัจจัยส่งเสริมศรัทธาชวนให้ตั้งใจศึกษายิ่งขึนจนในที่สุดโยนิโสมนสิการของตนเอง ก็นำบุคคลผู้นั้นไปสู่ความรู้แจ้งและความหลุดพ้นได้ที่ว่านี้คือปฏิปทาที่อาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประสานกันและนี้คือความหมายอย่างหนึ่งของคำว่าตนเป็นที่พึ่งของตนและการมีตนเป็นที่พึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกและศรัทธามีความสำคัญมากแต่ตัวตัดสินอยู่ภายในคือโยนิโสมนสิการการมีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งหมายถึงการดาเนินชีวิตอยู่อย่างมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้เท่าทันกายเวทนาจิตธรรมตามหลักสติปัฏฐานสี่ องธรรมที่หล่อเลี้ยงสติเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการผู้ใดใช้โยนิโสมนสิการได้ดีการอาศัยปัจจัยภายนอกก็น้อยลงตามอัตราผู้ใดไม่ใช้โยนิโสมนสิการเลยกัลยาณมิตรใดๆก็ไม่อาจช่วยได้สำเร็จสติเป็นองค์ธรรมสำคัญ มีอุปการะมากจำเป็นต้องใช้ในกิจทุกอย่างดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วแต่มักมีปัญหาว่าทำอย่างไรจะให้สติเกิดขึ้นทันเวลาที่ต้องใช้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรจะให้คงอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หลุดลอยขาดหายไปเสียในเรื่องนี้ทางธรรมะแสดงหลักไว้ว่า โยนิโสมณสิการเป็นอาหารหล่อเลี้ยงสติช่วยให้สติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นช่วยให้สติที่เกิดขึ้นแล้วเกิดต่อเนื่องไปอีกคนที่มีความคิดเป็นระเบียบความคิดลั่นเรื่อยได้เรื่องได้ราวเดินเป็นเถวเป็นแนวย่อมคุมเอาสติไว้ใช้ได้เรื่อยแต่คนที่คิดอะไรไม่เป็นหรือในเวลาที่ความคิดไม่เดินไม่มีจุดไม่มีหลัก สติก็จะพลัดหายอยู่เรื่อยรักษาไว้ไม่อยู่เพราะตามสภาวะแท้จริงเราจะไปรักษาไปกักไปกดดึงเอาสติไว้ย่อมไม่เป็นการถูกต้องและทำไม่ได้ที่ถูกต้องคือต้องหล่อเลี้ยงมันไว้หมายความว่าสร้างปัจจัยให้มันอยู่เมื่อมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิด เป็นเรื่องของกระบวนรธรรมะเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยจึงต้องทำตามเหตุปัจจัยถ้ามองในแง่การทำหน้าที่โยนิโสมนสิการก็คือความคิดที่สกัดอวิชชาตัญหาหรือการคิดเพื่อสกัดตัดหน้าอวิชชาและตัญหาพูดแง่บวกว่า ปุกเร้าปัญญาและกุศลธรรมกล่าวคือเมื่อมีการรับรู้อารมณ์หรือที่เรียกว่าได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วตามปกติกระบวนความคิดที่จะแล่นต่อไปทันทีตอนนี้คือจุดหรือขั้นตอนของการช่วงจริงบทบาทกันถ้าวิชาตันหาเข้ามาจริงเอาความคิดไปได้ก่อนความคิดต่อจากนั้น ก็เป็นกระบวนธรรมะของอวิชชาตัญหาประกอบด้วยการปรุงแต่งของสังขารตามอำนาจความชอบใจไม่ชอบใจและภาพความคิดที่ยึดถือไว้แต่ถ้าโยนิโสมณสิการเข้ามาสกัดตัดหน้าอาวิชชาตัญหาได้ก็จะชักความคิดเข้าสู่ทางที่ถูกต้องคือเกิดกระบวนความคิดปลอดอวิชชาตัญหาเป็นกระบวนธรรมะ แห่งยาณทัศนะหรือกระบวนธรรมะแห่งวิชาวิมุติแทนสำหรับปุถุชนทั่วไปตามปกติพอได้รับดูอารมณ์แล้วความคิดก็มากเดินไปตามกระบวนธรรมะแห่งอวิชชาตันหาคือเอาความชอบใจไม่ชอบใจต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้นหรือเอาภาพความคิด ที่ยึดถือไว้แล้วมาเทียบทาบเป็นจุดก่อตัวที่ปรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับอารมณ์หรือประสบการณ์นั้นต่อไปเรียกว่าเป็นกระบวนธรรมะแห่งอวิชชาตันหา ท, นทั้งนี้เพราะได้สั่งสมความเคยชินไว้อย่างนั้นการมองและการคิดตามแนวของอวิชชาตันหานี้เป็นการมองสิ่งทั้งหลายตามทีท่อยากให้มันเป็น หรือไม่อยากให้มันเป็นเป็นการคิดตามอำนาจความติดใจหรือขาดใจการคิดแบบนี้นอกจากทำให้ไม่มองเห็นตามความเป็นจริงเกิดความเอ็นเอียงไปตามความชอบความชังทำให้เข้าใจผิดหลงผิดหรือได้ภาพที่บิดเบือนแล้วยังทำให้เกิดความขุนมัวเศร้าหมองความเหี่ยวแห้งอ้างว้างว้าเววันวาด ความสมหวังผิดหวังความกดดันความคับข้องใจต่างๆซึ่งรวมเรียกว่าความทุกข์ตามมาด้วยส่วนโยนิโสมณสิการเป็นการมองตามความเป็นจริงหรือมองตามเหตุไม่ใช่มองตามอาวิชชาตันหาพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามองตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันไม่ใช่มองตามที่เราอยากให้มันเป็น หรือไม่อยากให้มันเป็นปุถุชนพอรับรู้อะไรความคิดก็จะพรวดเข้าไปสู่ความชอบใจไม่ชอบใจทันทีโยนิโสมณสิการทำหน้าที่เข้าสกัดหรือตัดหน้าในตอนนี้จึงเอาบทบาทไปเสียแล้วเป็นตัวนำกระบวนความคิดบริสุทธิ์ที่พิจารณาตามสภาวะตามเหตุปัจจัย คิดเป็นทางไปอย่างมีลำดับทําให้เข้าใจความจริงทําให้เกิดกุศลธรรมอย่างน้อยก็ทําให้วางใจวางท่าทีและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆได้เหมาะสมดีที่สุดในคราวนั้นๆพูดอย่างภาพพจน์ว่าโยนิโซมนานสิการทําให้คนเป็นผู้ใช้ความคิดคือเป็นเจ้าหรือเป็นนายของความคิดเอาความคิด มารับใช้ช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอยู่สุขสบายตรงข้ามกับอายุนิโสมนสิการซึ่งทําให้คนกลายเป็นทาตของความคิดถูกความคิดปลุกปัน่นจับเชิดให้เป็นไปต่างๆชักลากไปหาความเดือดร้อนวุ่นวายหรือถูกความคิดนั่นเองบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆอย่างไม่เป็นตัวของตัวเอง พึงสังเกตด้วยว่าในกระบวนความคิดที่มีโยนิโสมนัสิการเช่นนี้สติสัมปชัญญะจะเข้ามาร่วมทำงานอยู่ด้วยเองโดยตลอดเพราะโยนิโสมนสิการเป็นอาหารคอยหล่อเลี้ยงมันอยู่เรื่อยๆรวมความแง่นี้ว่าโยนิโสมนัสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาตันหา อวิชชาและตัณหานั้นมาด้วยกันเสมอแต่บางครั้งอวิชชาแสดงบทบาทเด่นตัณหาเป็นตัวแฝงบางครั้งตัณหาเด่นอวิชชาเป็นตัวแฝงเมื่อเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเราอาจแบ่งความหมายของโยนิโซมณสิการออกไปเป็นสองอย่างเพื่อความสะดวกในการศึกษา ตามบทบาทของอวิชชาและตันหานั้นว่าโยนิโสมนัสิการคือความคิดที่สกัดอวิชชาและความคิดที่สกัดตันหาและพึงทราบลักษณะความคิดตามอาวิชชาตันหาดังนี้หนึ่งเมื่ออวิชชาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะติดตันวกวนอยู่ที่แง่หนึ่งตอนหนึ่ง อย่างพ้ามัวขาดความสัมพันธ์ไม่รู้ทางไปหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านสับสนไม่เป็นระเบียบปรุงแต่งอย่างไร้เหตุผลเช่นภาพในความคิดของคนหวาดกลัว 2. เมื่อตัณหาเป็นตัวเด่นความคิดมีลักษณะโ น, น้มเอียงไปตามความยินดียินร้าย ความชอบใจไม่ชอบใจหรือความติดใจขัดใจติดพันรุ่นอยู่กับสิ่งที่ชอบหรือชังนั้นและปรุงแต่งความคิดไปตามความชอบความชางังอย่างไรก็ตามเมื่อพูดลึกลงไปอีกในด้านสภาวะอวิชชาเป็นฐานก่อตัวของตัณหาและตัณหาเป็นตัวเสริมกำลังให้แก่อวิชชาดังนั้น ถ้าจะกำจัดความชั่วร้ายให้สิ้นเชิงก็จะต้องกำจัดให้ถึงอวิชชา